กความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทลายแต่รุนปปุตติยานก็มึงนำเสนอเรื่องสมาวาจาาคือการเจรจาชอบเป็นลงมากข้อแรกในส่วนของสีละิกขาคือมากเพืองแผ่ประการนั้นเมื่อสรุปแล้วก็กลายเป็นสินสมาธิปัญญา เพียงแต่ ว, ว่าเวลาทรงแสดงในรูปของอริมัคคุองแปดก็ทรงแสดงไปรูปของปัญญาศีนสมาธิมีืลักษณะหมุนไปบวงกลมจนกว่าอริยมัคคทั้งแปดประการนั้นผนึกเป็นเนื้อเดียวกันคือเป็นนันเนินเดียวกันนั่นเรียกว่ามัคคะสามืองขี่ ก็จะมีพลานุภาพในการทำลายโลกปบดหลงให้หมดไปจากจิตใจของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติแต่ว่าในขณะเดียวกันการบัติในแต่ละข้อนั้นก็มีส่วนในการลดกิเลสละกิเลสจนถึงดับกิเลสบางระดับลงไปได้ก็ทำให้คนที่ศึกษาทาปฏิบัติธรรมเป็นพระยาะบุคคลบางเป็นสัตว์ปรดบางเป็นบัณฑิตบางเป็นนักปราชญ์ บ, บ้าง ตลอดถึงเป็นพระอาหารหันต์ในที่สุดก็ได้นำเสนอประเภทของวาจาไว้จากนยะแห่งพุทธศาสนาสุภาษิตก็โดยนยะต่างๆแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือเป็นเรื่องการบริเวนจากการพุทธคำวมาเท็จจริงเนี่ย เวลาทรงแสดงในที่หนึ่งทรงแสดงแยกเดี่ยวออกไปเป็นเท็จกระจิงเรียกว่าอริยะโบหารกับอนิระอนาอิยะโบหารอริยะโบหารก็คือภาษาหรือคําพูดหรือคํากล่าวของคนที่เปิดเสดหรือเป็นราเรยะก็จะแยกไว้โดยสรุปตามภาษาสัมผัสของคน ต้องความคนนึกออกนะฮะว่าประสาทสัมผัสนั้นตามปกติเราจะนับทั้งหกเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่บางครั้งเราก็จะเจอว่านับแค่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือรูปเสียงกลิ่นรสผลพระจนับแค่ห้าโดยส่วนมากแล้วเราก็นับครบทั้งหกเพราะว่าเราไม่ได้ถือว่ามี6ิกเซนคือประสาทที่หกหรือสัมผัสที่หกอย่างที่ฝรั่งเขาพูดกัน ก็ถือว่าทั้งหมดมันเป็นกระบวนการทางจิตการรับอารมณ์ที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นงานของจิตการจําเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาก็เป็นงานของจิตแล้วก็ตลอดถึงการที่จะนำเรื่องเหล่านั้นไปคิดไป น, นึกไปวิเคราะห์ตรวจสอบต่างๆก็เป็นเรื่องของจิตตลอดถึงว่ า, ามหน้าที่รู้ก็เป็นเรื่องของจิต แต่ว่าเวลาแสดงในการใช้ประสาทสัมผันนสในภาษาที่ใช้เนี่ยหมายถึงปัญญาด้วยกันเพียงแต่ว่าผู้ต้องการเห็นด้วยตาการยินด้วยหูการทราบด้วยจมูกลิ้นกายอยู่อภาษาบาลีเนี่ยท่านใช้คำว่าทราบเนี่ยทราบกลิ่นด้วยจมูกทราบรสไปลิ้นทราบเย็นร้อนอ่อนแข็งด้วยกาย แล้วก็รู้สิ่งทั้งหลายนี้ด้วยใจเพราะฉนั้นเวลาชาใ ช, าชา้เนี่ยท่านจะใช้แค่สี่คำคือได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้รวมแล้วก็ครบประสาททั้งหกเพียงแต่ว่าจมูกลิ้นกายนั้นใช้คํามาทราบคือทราบปริ่นดยจมูกทราบรสโดยลิ้นทราบเย็นน้นอนแข็งโดยกายจะรู้ทั้งหมดเนะี่ยเป็นงานของใจใจก็กลายเป็นธาตุรู้ แล้วก็มีหน้าที่ในการรู้สิ่งทั้งหลายทีนี้นการไปพูดคำเรื่องเหล่านั้นว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันก็ตัดสินโดยประสาทสัมผัสคือหมายความว่าเราเห็นมาอย่างไงก็พูดอย่างนั้นจะยินมาอย่างไงก็พูดอย่างนั้นได้ทราบมาอย่างไงก็พูดอย่างนั้นได้รู้มาอย่างไงก็พูดอย่างนั้นโดยไม่มีการเสริมความคือทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ แล้วไม่มีการอำความคือทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กถามว่าทำไมต้องทาอย่างนั้นต้องฟังจะมองไปเห็นว่าความรู้สึกของคนเนี่ยมันมีอาการอย่างหนึ่งที่เราเรียกอาคติแล้วก็ที่ออกมามากเนี่ยคือความลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะงงรโง่คือไม่รู้เรื่องตลอดสาย แต่ว่าจะทรงจำแนกไว้แค่สี่อย่างความําเอียงที่เกิดขึ้นภายในใจมนุษย์นี่มีแค่สี่อย่างเท่านั้นเองเอซึ่งเมื่อเรามองในไปที่กิเลสมันก็คือเป็นอาการของโลกปวดหลงนั่นแหละแต่ว่าแสดงอาการออกมาในรูปซึ่งจะต้องชี้แจงจะต้องพูดจะต้องวิเคราะห์ตัดสินวินิจฉัยอะไรก็ตามแต่มันก็ออกมาในเรื่อง ตามภาษาสัมผัสตรงนั้นเช่นเราเห็นเราเห็นญาติของเรานะฮะญาติของเราที่เรารักมากแกทําความชั่วเนี่ยก็ในฐานะที่เป็นประจักษ์พยานแล้วก็จําเป็นจะต้องพูดถึงสิ่งที่เราได้เห็นมาแต่เราก็นึกว่าเนี่ยคือญาติของเราเราจะบอกไม่หมดแกเป็นการอําความ ไว้บางเรื่องจะปกปิดไว้บางเรื่องคือเปิดเผยไม่หมดเพราะว่ากลัวว่าจะถูกลงโทษจะูกญาติของเราจะถูกติดคุกติดตารางจะเกิดเป็นอันตรายอะไรแต่ละไรก็จะอยากปกป้องจะเวลาญาติของเราก็ทำความดีเราจะได้เห็นก็ตามได้ยินก็ตามนะฮะหรือแม้จะได้รู้มักก็ตามอาจจะไม่มากอะไรเท่าไรแล้วแต่พูดซี้เยอะเลย บรรยายสยดย้อยวิจิตพิสดาร น, นั้นก็แสดงมาเสริมความทีนี้การเสริมความเนี่ยเสริมความด้วยรักก็ได้โดยชังก็ได้โดยกลัวก็ได้นโดยโง่ก็ไ ด, ด, กได้ก็ไม่รู้แล้วแต่เพราะว่าตัวเหตุที่กระตุ้นนะ่ะมันก็มีอาจอาจมีได้หลายๆอย่างอย่างที่เขาเล่าเป็นนิทานว่า เราจะสีประธามสัตว์ต่างๆให้พิสูจน์กลิ่นปากของแกว่ากลิ่นปากเป็นยังไงสัตว์บางตัวเขาพูดตรงๆนะฮะกลิ่นปากเหม็นแกถือว่าดูเหม่นแกแกก็กัดเฉยเลยอีกตัวหนึ่งก็เห็นว่าพูดว่าปากเหม็นก็กัดก็พูดว่าปากหอมกลิ่นปากหอมไอ้เนื้อโกหก ก, กก็กัดอีกแหละเพื่อจะเห็นว่ามันพูดด้วยความกลัว นั่นเป็นพยาคติคือพูดด้วยความกลัวไม่ใช่รักอะไรราชสีหรอกแล้วก็ไม่ได้โกรธอะไรราชสีแต่ว่ากลัวว่าจะพูดยังไงจึงจะไม่เป็นอันตรายแต่พอพูดออกไปแล้วก็กลับดึงอันตรายมาหาตัวเองก็บอกว่าไปเจอสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอมกมึงรู้เรียนดีเนี่ยเห็นว่า พูดว่ากลิ่นปากเม้นก็กัดกลิ่นปากขอมก็กัดเลยมันก็บอกว่าลุงวันนี้ผมเป็นหวัดก็จมูกพิสูจน์กลิ่นไม่ได้นะไม่ทราบกลิ่นเป็นยังไงก็นั้นก็โกกนะฮะเห็นะไหมด้วยความกลัวนะั่นแหละแล้วว่าทำไปด้วยความโกหกทีนี้เวลาเราพูดตึงความไม่ดีของคนอื่นที่เราไม่ชอบโดยเว่ายิ่งถึงคนไม่ชอบเนี่ย เราอาจะเห็นมาอย่างหนึ่งได้ยินมาอย่างหนึ่งได้รู้มาอย่างหนึ่งแต่ว่าพอดีมันคล้ายๆกันได้โอกาสที่จะแก้แค้นต่อคนที่เราไม่ชอบก็ทําไม่ดีไม่มากเท่าไรเราแต่ว่าละเลงสุดๆเลยนั่นแสดงว่าเสริมความด้วยอํานาจของโทรศัแต่บางทีในเราพูดถึงความดีของคนที่เราไม่ชอบเราก็รู้ว่าความดีเขาเยอะ ก็ดีก็มากมาไก่กองแต่ว่ามันแรงริษยามันเยอะเราก็ไม่ชอบมันก็แยะวันก็เลยพูดกลบเกลื่อนเสียพูดแต่น้อยเห็นหมามเท็จด้วยกันคือไม่ได้พูดตามที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาแต่ว่าใช้อารมณ์ตัวเองเนี่ยฮะเป็นหลักในการพูดในการตัดสินใจพูดอย่างนี้เขาเรียกว่าอนารยะโวหารคือเป็นคําพูดของคนเลว เพราะว่าไม่รับผิดชอบถึงสิ่งที่เราสัมผัสทีนี้การพูดตามที่ได้เห็นได้ยินได้ท้าบได้รู้เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นความจริงที่สมบูรณ์เราไม่รู้หรอกเรื่องสมบูรณ์มันขนาดไหนเช่นยกตัวอย่างว่ามีคนเดินมาห้าคนคนหนึ่งเดินข้างหลังแล้วก็ตัวมันเตีย้ยเพื่อนบางไม่หมดเราไม่เห็นน่ะเราเห็นแค่ห้าคนเดินเด้งคือถ้าใครถามว่า เห็นคนเดินมาเท่าไรเราก็บอกแค่ห้าเท่าที่เราเห็นคนที่หกราไม่ต้องรับผิดชอบเราไม่ได้เห็นเนี่ยก็ถามตามที่เราเห็นแต่ในการพูดในลักษณะนี้บางชีมก็มีปัญหาเหมือนกันว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงมันเป็นธรรมจะมีประโยชน์หรือเปล่าถ้าไม่มีประโยชน์มันก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดเพราะปากของเราเนี่ยเราไม่เสีย ท, ทีจะไม่พูด บางครั้งบางคราวอาจจะใช้เล่เหลี่ยมนิดหน่อยก็ เ, เรียกว่าเป็นเลสสวิธีเป็นวิธีที่จะเอาตัวรอดคือไม่ต้องไปรับผิดชอบในเรื่องตรงนั้นเป็นเลสสวิธีแต่เรียกว่าเลสสวิธีเช่นสมมติว่าเราไปเห็นขโมยวิ่งผ่านหน้าเราไปแต่ว่ามองไปยังไม่เห็นตารวจนะฮะ ประเดียวตำรวจเขาก็วิ่งไล่ตามมาเราเห็นท่าว่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มันก็ยุ่งเลยก็ถอยฉากไปยืนอยู่ในจุดอีกุดหนึง่งตำรวจมาถึงถามว่าคุณเห็นขโมยมาทางนี้บ้างไหมพวกนี้ก็อใส่เหลียมนิดหน่อยบอกว่าผมยืนตรงนี้ไม่เห็น ผมยืนตรงนี้ไม่เห็นคือตอนที่เห็นนั้มายืนอีกที่อีแขกแดงสุภาษิตตะนนท์ใจนิดหน่อยนะแต่ว่ามันก็เป็นวิธีที่จะทําตัวให้รอดโดยหลักทั่วไปเขาไม่นิยมใช้หรอกแต่ว่าถ้าจําเป็นขึ้นมาบางทีเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เพราะว่ามันไม่ได้เกิดความเสีย ห, หายแก่ใค ร, ใ ค, รคือเราเองก็ไม่ถึงกระเทศเพราะเราไปกํากับด้วยสถานที่เรายืน แล้วก็เรื่องโจนจําบือก็จับกันไปก็เป็นเรื่องของเขาแต่ตามปกติแล้วเขาก็ไม่นิยมใช้เพราะงั้นเรื่องวาจาที่เป็นคําศัตย์คําจริงเนี่ยเราจึงต้องมององค์ประกอบภาประการที่ว่าไว้เนี่ยคือองค์ประกอบภาประการนี้ต้องใช้ตลอดดังนั้นเรื่องจริงไหมเป็นธรรมไหมมีประโยชน์ไหมคนฟังชอบใจไหม หรือว่าไม่ชอบใจก็ดูการละเทศะว่าควรจะพูดหรือไม่ควรจะพูดแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นการทาหน้าที่ของพ ล, ลเมืองดีคือถ้าแต่ละคนปฏิเสธหมดไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยมันก็อันตรายเหมือนกันนะบางคนก็ต้องทาหน้าที่ของพ ล, ลเมืองดีแล้วก็บอกกล่าวกันไปนี่ก็ถือว่าเป็นการ พูดไปตามที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้ตอนถ้าพูดอย่างนี้เขาเรียกอริยะโวหารคือโวหารของผู้ประเสริฐโวหารของคนดีเป็นคําพูดของคนดีแต่ก็อย่างที่บอกนะฮะเรื่องบางเรื่องนี่มันจริงแต่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่พูดซะบ้างก็ปิดปากซะบ้างพูดไปมันก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา แต่คนรู้จักสังรวมระวังวาจาได้ในลักษณะนี้แล้วก็พูดตามภาษาสัพัตของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมองที่ตัวประโยชน์ซึ่งจะได้จากการพูดคนฟังได้รับประโยชน์นะฮะไม่ใช่เราได้รับประโยชน์คนฟังได้รับประโยชน์จากการพูดของเราหรือไม่ถ้าคนฟังก็รับประโยชน์ก็พูดถ้าไม่ได้รประโยชน์ก็ไม่พูดแล้วก็ อย่างที่กติไทยบอกว่าพูดไปสองใบเบีย้ยนิ่งเสียจตมืองทองพระเจตนาในลักษณะนี้จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เมตตาหวังดีต่อคนที่ฟังเรื่องดอกนั้นปรารถนาจะช่วยสงเคราะห์นุเคราะบอกกล่าวทำให้เห็นว่าเรื่องเหล่านี้บางชีเนี่ยมีคนก็ทำผิดพลาดบกพร้องมาเป็นความผิดแล้วถ้าปล่อยให้เขาเลิดไปก็าอาจจะเป็นอันตราย แล้วก็อาจจะหาเวลาหาโอกาสใช้จังหวะบางจังหวะพูดชี้แนะเขาให้เกิดความเข้าใจได้ปรับเปลี่ยนในพฤติกรรมต่างๆแต่องค์ประกอบที่ต้องดูในะเรื่องกาลเทศะแล้วก็ความรู้สึกของผู้ฟังแม้จะสามสามอย่างมันจะมีแล้วก็ตามแต่ต้องดูเพื่อ น, นดูว่ามันผู้ฟังชอบใจไหมหรือว่าไม่ชอบใจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการลรเทศะที่ควรจะพูดเรื่องเหล่านี้หรือไม่บางทีก็ไม่ชอบใจก็ไม่รู้จะทํำยังไงอน่ยนะอย่างการเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยมาสอนหนังสือมานานเนี่ยเราก็ต้องดู ก, กันอยู่บ่อยเราก็รู้ว่าบางคราเนี่ยเขาคงไม่ชอบใจหรอกแต่เราจะทํำยังไงพูดเรื่องอื่นมาเยอะแล้วเนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้ที่ตรงนั้นอาจจะต้องดูเอาเพียงแต่เราว่าไปเพียงแต่ให้เรามีเมตตาจิตกล่าว คืออย่าพูดไปได้วยโท่สะพูดไปได้วยดูหมิน่นพูดไปได้วยริษยาพูดไปได้วยแข่งดีนะแต่พูดด้วยเมตตาก็เรียกเมตตาวัจีกรรมคือพูด ด, ด้วยเมตตาโดยความรักโดยความศรัทธาโดยความเมตตาโดยความหวังดีนะแต่ถ้าไอ้พวกศรัทธาพวกความรักพวกความเคารพพวกนับถือเนะี่ยยังไงมันก็สัจจะอยู่แล้วนะมันตัวใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือเรื่อง เมตตาวจิกรรมเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเป็นการอภิบาลคือคนผู้รับฟังเนี่ยได้รับประโยชน์แต่ความรักเนี่ยไม่แน่นะเราได้ประโยชน์หรือความศรัทธาความพักดีเรียกว่าความเคารพเนี่ยเราพูดออกไปแล้วเราก็ได้ประโยชน์นะฮะท่านก็ได้ประโยชน์แต่เมตตาเนี่ยมันอภิบาลคนอื่น ตอนนั้นเวลาบาลีท่านใช้เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงใช้เนี่ยทรงใช้เมตตาวาจานี่มาเมตตาจึงเป็นเรือนใจเป็นฐานใจในการที่จะสื่อสารพูดจาอะไรกับใครยังไงก็ตามคือมีความรู้สึกเมตตาวางดีต่อบุคคลนั้นในชั้นของส ม, มาวาจานั้นจะทรงแสดงในรูปของการงดเว้นเพราะเป็นการพูดระดับศีลนะครับ เป็นการพูดระดับศีลคือพูดระดับการงดเว้นงสาวาดาเวรมนีงดเว้นจากการพูดเท็จก็คือคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มันก็ทาได้สามอย่างนะฮะคือหนึ่งเราได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาอย่างไงก็พูดไปตามนั้นไม่มีการเสริมความไม่มีการขยายความ แต่บางครั้งมันมีความอาการคับเกี่ยวคือเรื่องเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์แต่นั้นแม้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงเป็นธรรมมีประโยชน์แต่ว่าคนขังเขาไม่ชอบใจและอาจจะเป็นอันตรายมันก็ต้องดูกาลเทศะตรงอื่นเสียไปเปลี่ยนที่กาลาาเทศะเปลี่ยนเวลากสถานที่เสียก่อนจะเรียกไปคุยในที่อื่นแต่ก็คงไม่ชอบอยู่นั่นแหละ เพียงแต่ว่าเราเมตตาต่อเขาวังดีต่อเขาเขาสำคัญองค์ประกอบหลักสามกาเนี่ยต้องมีอยู่ทีนี้งดเว้นจากการพูดในเรื่องที่เราไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ทราบไม่ได้รู้ก็อย่าไปพูดคือบางทีก็ไปพูดไปแสดงไปแสดงความคิดเห็น อย่างอะไรอ่ะก็เรียกว่าชามาดานะฮะลูกชายของ เ, ออเจ้าชายน้องกษัตริย์พิเรนซาองค์องเล็กนะฮะเล็กที่ไปอยู่อังกฤษออกมาพูดเฉย ๆ, ๆ, ๆอย่างนั้นก็อันตรายมันเป็นเรื่องจริงเป็นธรรมแต่มันไม่ได้เกิดประโยชน์ตัวไอ้เบื้องหลังนี่คืออะไรเนี่ยเราไม่รู้นะฮะแม้จะเป็นเรื่องอย่างนั้นจริงเนี่ยก็ไม่ควรจะพูด เรื่องเรื่องเหล่านี้ขนาดนี้ไม่ต้องมีอะไรสลับซับซอ้อนอยู่บ้างอยู่เบื้องหลังนี่มากไอ้สิ่งที่เราเห็นมันเป็นเพียงอาการอย่างเด่นเท่านั้นเองแต่ไม่รู้ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังจริงๆมันเป็นยังไงมันยังมีข่าวว่าจะถูกลงโทษจากราชวงังหรือจากราชการก็ตามไม น, นะคือมันคือไม่ได้เรื่องตะกุ้นั่นแหละแต่เรื่อง ทีนี้ในกรณีที่เราไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ทราบไม่ได้รู้ก็เว้นไม่พูดแต่ในกรณีที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้ก็พูดไปตามนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมองประเด็นดังกล่าวอาจจะต้องเปลี่ยนโอกาสกาะละเทศะคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยจะพูดได้ด้สักทีทีต้องใช้เวลาและเช่นว่าความจริงบางอย่างเนี่ย เรามีสถานะที่เล็กน้อยเกินไปเึินไปพูดเรื่องขนาดนั้นมันก็ใหญ่เกินกํำลังที่เราจะรับผิดชอบอย่างสมัยมายัางเป็นพระหนุ่มๆมีเรื่องบางเรื่องที่มันค่อนข้า ง, งสลับซับซ้อนแล้วก็ใหญ่แล้วก็ขอร้องให้หลวงพ่อปัญญานะพอปัญญามาเล่าข้อมูลในะทางฝั่ ง, งขอให้ท่านช่วยพูดหน่อย แต่เรายังไม่มีบา ร, รมีพอที่จะพูดคำพูดขนาดนั้นคือการพูดนั้นเราต้องการความเปลี่ยนแปลงต้องการสร้างสารรค์ส่งเสริมสนับสนุ น, น, นช่วเดลือกันแต่เมื่อไม่อยู่ในฐานะที่เขาจะยอมรับน้ำถือเชื่อฟังได้เนี่ยเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องเป็นธรรมมีประโยชน์ก็ตามคือบางทีฐานะของเราเนี่มีความร้องัห้ อย่างกร น, นี้ลองออสังเกตสมยัยฉลองกรุงรัตะนะโกสินทร์200ปีนี่มันมีค่านิยมพื้นฐานออกมาจากสบวบชคือสานักวัทธรรมแห่งชาติเนี่ย5ข้อแล้วก็มีประลมราชวาดออกมา4ข้อออกมาก็ไล่หลังกันมานะฮะก็มีการรณรงค์ไปพร้อมๆกันก็จะเห็นว่าที่จริงก็มีประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ถ า, าเรื่องจริงไหมจริงถามมาเป็นธรรมไหมเป็นธรรมตามามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์หรือว่าผุดไปแล้วเนี่ยมันไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมเพราะอะไรเพราะว่าสวชนี่เป็นใครเนี่ยชาวบ้านก็ไม่รู้ตรงนี้ถ้าหากว่าเราเอาหลักศาสนาประหยัด อ, อมอะไรแต่ใดเนี่ยเราพูดแต่เ น, นี่คือหลักศาสนาให้ปฏิบัติตนตามคําสอนในศาสนาซึ่งคําสอนในระดมนี้มันมีอยู่ทุกศาสนา ชาวพุทธปฏิบัติก็มีความรู้สึกปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้ชาวพิคก็ปฏิบัติก็ถือว่าไปปฏิบัติตามพระคำภี์ของเขาอิสรามปฏิบัติก็ปฏิบัติตามพระคมภีร์ของเขาแต่แต่ละคนเนีมีความภาคภูมิใจที่ได้ประพฤติปฏิบัติแต่พรใช่เป็นสวชขึ้นมาเนี่ยอาละมาก็บอกเขาที่จริงก็ได้รับไปเป็นวิทยากรบรรยายยังจำได้ในโรงเรียนอนุบาลที่จังหวัดสระ บ, บุรี เดไปถึงก็ก็ส่งให้สภาสังคมน้องครอเป็นคนส่งให้แล้วก็บอกเขาบ อ, อกว่าพระมรารโชาวาดสีปการเนี่ยจะเกิดและจะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเพราะไรว่าชีมาเนี่ยมันเป็นที่เคารพสักการะอยู่แล้วแล้วก็แท้ที่จริงก็คือเป็นคารวัตธรรมมีการเผยแพร่โดยประสงค์มานานแล้วแล้วพระเจ้าจเป็น ผู้แสดงคาสอนเ่งนี้แล้มันก็ต่อกันมาเนี่ยมีความขลังในความศักดิ์สิทธิ์จะเคารพเทิดทูนเพราะในเราสังเกตว่าถ้าคนเล็กๆเนี่ยไปกล่าวคำคมอะไรต่ออะไรขึ้นมาก็ได้นะฮะกล่าวได้แต่ว่าจะไม่มีใครนำไปประพฤติปฏิบัติเรื่องเป็นเรื่องเป็นนันมากเนี่ย อย่างตมาเองเนี่ยคือคือไม่ไม่พูดเองเพจะอ้างหลักฐานในที่ต่างๆมาตรงนั้นพระวิจ้ารับสั่งอย่า ง, ง น, นั้นพระเทเร่าอนั้นรับสั่งม า, งงาอย่างงั้นเลยแตได้กล่าวว่าอย่างงั้นน่ยนะคือเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเป็นสอนใครแต่เราก็รู้สึกว่าเราทําหน้าที่เผยแผ่ธรรมะเอ็นราช จ, จะทูตอ่านราชสารราชสารว่าไว้อยังไงเราก็อ่านไปอย่างนั้น ถ้าผู้ฟังจะยึดถือประพุทธปฏิบัติตามก็ปฏิบัติตามเราพระเจ้าไม่ใช่ปฏิบัติตามเราถ้าจะนับถือก็นับถือพระธรรมตรัยยังไม่ต้องมานับถือเราเราก็ทำตัวเป็นเด็กรับใช้และอย่างนี้จะรู้สึกสบายนะแต่เขาไม่นับถือเราก็ไม่ไปไปปังอาจสอนใครอ่นะเพียงแต่ว่าเราเล่าเราฟังพระพุทธเจ้าว่าไว้อย่างนี้ส่งสั่งสอนมาอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนต้องฟักอะไร แต่หรงประโพ ธ, ธิญานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญเง้องามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังัมื่อไรโดยทัวกันสวัสดี